มีอะไรหรือแล้วพินถามสวนไปโดยเร็วก่อนที่จันรจะเดินเข้ามาถึงเมียของเจ้าขนองที่ท้ายบ้านโน้นครับมันเจ็บท้องจะออกลูกมาตั้งแต่เที่ยงแล้วพวกนั้นช่วยกันยังไงก็ยังไม่ยอมออกถ้ามันจะแย่เต็มทีผัวมันตามมาด้วยเกาะหัวบรรดายอยู่โ น, น่นมันจะมาขอให้นายหญิงช่วยจันทร์รายงานโดยเร็วดารินผุดลุกขึ้นในทันทีนั้นนางแอที่ท้องแก่นั่นนะ่ะเลครับ ก็ฉันสั่งไว้แล้วนี่ว่าถ้าเมียมันเจ็บท้องให้ผัวมันรีบมาบอกทันทีนี่เจ็บมาตั้งแต่เที่ยงแล้วทําไมมาบอกเอาเดี๋ยนี้จันอึกอัดตอบไม่ถูกหันไปทางบันไดเลือนที่เจ้าโขนงผู้ยืนหน้าซีดอยู่ส่งภาษาซักถามการรงเล็งแล้วก็หันมายิ้มแห้งๆมันนึกว่าหมอตำยกับหมอผีที่นี่จะช่วยเมียมันให้ออกลูกได้ครับตั้มกันหลายชั่วโมงแล้วลูกมันก็ยังไม่ยอมออก หมอผีเสกน้ำมนต์ให้หนางแอร์กินเข้าไปตั้งหลายขันเจ้าขโขนมันเห็นท่าไม่ดีก็เลยแล่นมาพึ่งนายหญิงไม่รอให้ตายเสียทั้งลูกทั้งแม่ก่อนนี่แล้วค่อยมาบอกแพทย์สาประจำคณะเดินทางว่าแล้วปลุกกลับเข้าไปในห้องของหลอนโดยเร็วอึดใจเดียวก็โผล่ออกมาพร้อมกับกระเป๋าเครื่องมือหันมาทางพรานใหญ่ผู้บาดนี้กาลังยืนซักถามพวกนั้นอยู่ออกคาสั่งสั้นๆคุณควรจะไปกับฉันด้วย ผมไม่เคยเรียนวิชาหมอตำแยมาก่อนผมจะช่วยอะไรได้ถึงไม่เคยเรียนมาก่อนก็เรียนเสียวันนี้เลยคนอยู่ป่าอยู่ดออย่างคุณอ่านมีสักวันหนึ่งก็ได้ที่จะต้องทําคลอดให้พัญญาของคุณเองฉันต้องการลูกมือที่ฉลาดกว่าชาวบ้านพวกนี้แล้วก็มองไม่เห็นใครนอกจากคุณพร้อมกับพูดหล่อนกระชากแขนเขาให้ตามมาด้วยอย่างไม่ยอมฟังเสียงและพินจําต้องเดินตามมาด้วยเพราะหล่อนไม่ยอมปล่อยแขนทั้งหมด โดยการนำของชายผู้เป็นสามีพากันเดินตรงไปยังเรือนท้ายหมู่บ้านอย่างรีบร้อนจัน์คว้ากระเป๋าเครื่องมือของหลอนลี้วไปก่อนพร้อมกับเจ้าผัวพรานใหญ่ถอนใจเฮือกชาตินี้ทั้งชาติผมเห็นจะไม่มีพัญญาหรอกครับคุณหญิงเพราะฉะนั้นเห็นจะไม่มีโอกาสทำคลอดให้แก่พัญญาของผมเองตามที่คุณหญิงว่าแน่ย้ายผมไปดีกว่าการทาคลอดเป็นเรื่องของหมอไม่ใช่เรื่องของพราน ฉันบอกเลยว่าฉันต้องการลูกมือผู้ช่วยไม่ได้ยินเลยเอาเอาอยัางไงก็เอากันจะเอามือข้าไปเป็นมือผู้ช่วยทำคลอดอย่างมากก็มีหวังตายทั้งแม่ทั้งลูกอย่าลืมว่าพวกนี้นับถือคุณคุณควรจะไปด้วยอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจอบอุ่นให้กับพวกเขาคุณไม่ต้องทำอะไรเลยหยิบเครื่องมือส่งให้ตามที่ฉันตามแต่ฉันจะสั่งเท่านั้นคุณหญิงมีเครื่องมือทาคลอดมาด้วยหรอ เครื่องมือโดยตรงไม่มีหรอกแต่มันก็พออนุโลมได้ในยามจําเป็นการทําคลอดมันไม่ใช่เรื่องยากยิ่งอะไรนักหรอกมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติช่วยอยู่แล้วไม่นึกว่าสัญญาแพทย์จะเป็นหมอตําแยได้ด้วยบ้าพูดให้ดีนะหมอตําแยก็คือหมอที่ทำคลอดคุณออกมาสําหรับฉันเข้าใจไว้ด้วยว่าเขาเรียกสูติแพทย์ก็เหมือนกันนั่นแหละผิดกันแต่ว่าใครจะเรียนมาจากสถาบันแพทย์ศาสตร์ หรือใครจะเรียนมาจากตามบ้านอย่างแรกเรียกโก้เป็นทางการหน่อยว่าสูติแพทย์อย่างหลังเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าหมอตําแย่หน้าที่ความสำคัญอย่างเดียวกันคือช่วยคนให้คลอดลูกดาลินหยุดยืนเท้าเอวจะมาช่วยกันให้ชีวิตใหม่ออกมาดูโลกหรือว่าจะมาฆ่ากันนี่อย่างแรกได้กุศลแต่อย่างหลังบาปก็จะเอากุศลหรือเอาบาป เอากุศลดีกว่านะครับถ้า ง, งานหุบปากเสียทีไม่ต้องพูดอะไรอีกคอยทำแต่ที่ฉันสั่งเข้าใจหมอตำแย่เอ้ยูติแพทย์เขาต้องเป็นคนใจเย็นไม่ใช่หรือครับก็เย็นไม่ไหวเหมือนกันสำหรับคนปากตำแยแบบนี้จะไปช่วยทำงานยังว่าอีกว่าสิก็มายั่วอยู่ได้อย่ารู้เหมือนกันว่าหมอตาแยคนไหนนะที่ทำคลอดคุณมาออกมาปากถึงพูดอะไรไม่เข้าหูคนเลย ระพินภัยวันหุบปากเงียบลงเวลาเกือบชั่วโมงเต็มๆที่เขาต้องหายใจไม่ทั่วท้องเป็นลูกมือของดารินในการทำคลอดเมียของเจ้าโขนซึ่งมีอาการไม่ดีนักทำท่าจะไปไม่รอดทั้งแม่ทั้งลูกเพราะการทำคลอดอย่างไม่ถูกวิธีของพวกพื้นเมืองก่อนหน้าที่แพทย์สาจะถูกตามมาถึงกว่าทารกจะโผล่ออกมาดูโรคได้ทั้งแพทย์และลูกมือจาเป็นก็เหงือตก แล้วมาดาและเด็กก็ปลอดภัยท่ามกลางความโมทนาสาธุปราปื้นปิติใจของเจ้าโขนงผู้เป็นพ่อและญาติโยมที่มาแวดล้อมคอยเฝ้าอยู่ห่างๆทั้งหลายทารกที่เกิดออกมาเป็นชายพ่อของเด็กบอกว่าถ้าไม่มีนายหญิงทั้งเมียและลูก ข, ของมันคงไม่รอดขอยกลูกชายที่เกิดใหม่ให้นายหญิงทำนองขอให้เป็น Godmaster นั่นแหละ พลานใหญ่แปลถ้อยคำของขนงให้หลอนฟังตกลงฉันยอมรับจะมาดูแลให้ในระหว่างที่ยังอยู่หล่มช้างนี่และฝากให้พ่อแม่จริงของมันเลี้ยงดูไปพลางๆระหว่างจากไปส่วนการข้างหน้าถ้าพ่อแม่ของมันยังคิดที่จะยกให้จริง <c oughs> ก็ให้ส่งตัวไปให้ฉันที่กรุงเทพหล่อนยิ้มบอกเสียงใสขนมก้มหัวลงจดพื้นแทบเท้าของหล่อนนายหญิงจงตั้งชื่อให้แก่ลูกชายด้วยเถิด ดารินเลิกคิ้วทำตาโตนิ่งคิดอยู่ครู่ก็บอกมาว่าจงเรียกลูกชายว่าเจ้าพลายก็แล้วกันมันจะได้กล้าหาญแข็งชาการเหมือนช้างพลายต่อไปในอนาคตข้างหน้าขออวยพรให้แกเจ้าลูกชายด้วยจงแข็งแรงโตเร็วและมีปัญญาดีระหว่างเดินกลับเรือนที่พักดารินมีใบหน้าสดชื่นแจ่มใสเป็นสุข อีกฝ่ายหนึ่งเอาผ้าคนหนูขึ้นมาเช็ดเหงื่อตามใบหน้าเบ้ปากเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นความทรมานของผู้หญิงในขณะที่จะคลอดลูกน่าเห็นใจเหลือเกินผมแทบทนดูไม่ไหวทีเดียวแหละเพิ่งจะมารู้เอาเด๋ยวนี้เองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ออกลูกยากที่สุดผิดกับเดรัจฉานอื่นๆมากหางตาขมจับอยู่ที่ใบหน้าเขาดีไม่ล่ที่ได้มาเห็นเสียกับตาเองอย่างนี้ เป็นการถูกแล้วที่คุณรักและมีกตันยูสูงต่อคุณแม่คุณเองคนที่อยู่ในฐานะแม่ทุกคนก่อนที่จะให้กำเนิดลูกออกมาได้ก็ต้องผ่านศึกใหญ่ที่สุดในชีวิตแบบที่เห็นอยู่นั่นแหละเป็นหรือตายเท่ากันในขณะนั้นไหนจะอุ้มท้องไหนจะเจ็บปวดทรมานชีวิตแทบแตกดับขณะที่คลอดและไหนจะเหนื่อยยากฟูมฟักขณะที่ลูกเล็กแบเบาถ้าจะพูดกันไปตามจริงแล้ว เพาะคุณของแม่ย่อมเหนือกว่าพ่อเขาไม่มีทางแย้งรนผมนึกว่าไม่รอดแล้วทั้งแม่ทั้งลูกสมมุติว่าไม่ออกจริงๆคุณหญิงจะทำยังไงนี่ไม่ต้องผ่าหรือผ่าเขาไปได้ยังไงเราไม่มีอุปกรณ์ในการผ่าตัดใหญ่เลยสักอย่างขืนผ่าเขาไปก็เท่ากับทิ้งแม่เอาแต่ลูกไว้อย่างเดียวต้องปลุกปั้ากันไปตามีตามเกิดอย่างที่เห็นนั่นแหละ นี่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลฉันก็ทำซีซ่าเรียนไปแล้วไม่ต้องมาชุลมูลเหงื่อตกกันอยู่ให้เสียเวลาซีซ่าเรียนซีซ่าเรียนเช็คชันหรือซีซาโรตมีหมายถึงการเอาเด็กออกทางหน้าท้องโดยวิธีผ่าเป็นคำเทคนิคในทางออฟสเตติกอ๋อคราวนี้เห็นหรื อ, อยังลรืว่าหมอตำแย ก, กับสูติแพทย์มันผิดกันก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็น พ, านพรานไพร มาถามผมบ้างสิว่าช้างกระลิงแตกต่างกันยังไงผมเป็นอธิบายน้าลายแตกฟองได้เหมือนกันหน่อยนี่มาว่าฉันน้าลายแตกฟองกันเลยเปล่ปาเปล่าโทโมโหซะเลื่อยขอถามอาจารย์เพื่อประดับความรู้ต่อไปสักหน่อยเถอะทำไมถึงเรียกซีซารีนจะเรียกมาร์กแอนโทนีนหรือครีโอพัตเตียนไม่ได้เลยหล่อนอดหัวเราออกมาไม่ได้ชำเรืองคอนนิดหนึ่ง ธรรมางแอนโทนีหรือกรีโอพัตตาเกิดโดยวิธีผ่าตัดออกทั้งหน้าท้องเป็นคนแรกของโลกเขาก็าอาจตั้งชื่อชนิดนี้ให้ก็ได้แต่นี่บังเอิญซีซ่าเป็นคนออกมาดูโรคแบบนี้ก่อนเขาก็เลยเอาชื่อของซีซ่ามาเป็นต้นตํำรับซีซ่านะหรือเกิดโดยวิธีผ่าออกทั้งหน้าท้องในว่าอย่างนั้นแต่ฉันไม่ได้เห็นพระโตเพราะเกิดไม่ทนันหรือเกิดทันแล้วอยู่ในห้องทำคลอดนั้นด้วยก็ยังระลึกชาตญไม่ได้ วิทยาการในทางแพทยศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญกรรมของมนุษย์เราในยุคนั้นจเจริญถึงขนาดนั้นเถอะหรือครับจะเจริญแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้แน่ๆก็คือมนุษยาชาติยุคนั้นรู้จักการผ่าตัดกันขึ้นแล้วไม่งั้นจะผ่าท้องเอาศีซ่าออกมาจากท้องแม่ได้ยังไงแล้วหลังผ่าตัดเอาศีซ่าออกมาแล้วล่ะแม่เป็นยังไงรอดหรือเปล่าถามมากจริง ฉันจะไปตัดสรุ้ได้ยังไงไม่มีรายงานในเรื่องนี้ถ่ายทอดมาให้รู้นี่ยะรู้ๆกันแต่เพียงว่าตานั่นออกโดยวิธีนี้เขาถึงได้เอาชื่อมาตั้งเป็นคำเทคนิคสำหรับการผ่าตัดชนิดนี้ซึ่งจะโกหกหรือจริงฉันก็เว้นจากการรับผิดชอบหล่อนพูดเสียงกระชากอย่างฉิวๆแต่ก็หัวเราะคุณหญิงชนานาญทางอายุรกรรมกับสัลญญกรรมโดยเฉพาะไม่ใช่หรือครับ ไม่นึกว่าจะเชี่ยวชาญในทางสูติกรรมด้วยโธ่มันก็ไอสาขาใดาสาขาหนึ่งของแพทยศาสตร์เหมือนๆกันนั่นแหละแพทย์ทุกคนถ้าจําเป็นจริงๆก็สามารถทําในสาขาใดาสาขาหนึ่งได้ทั้งนั้นเพราะขณะที่เรียนก็ต้องผ่านมาแล้วทุกด้านเพียงแต่ว่าบ้านปลายใครมุ่งเอาดีไปในทางไหนเท่านั้นสําหรับฉันตามปกติแล้วก็ไม่ใช่สูติแพทย์โดยเฉพาะแต่ถ้าคุณแสงโสมเกิดฉุกเฉินกระทันหันจะต้องคลอดลูกกันกลางป่าแล้วก็ หมอดาลินก็พอจะช่วยได้ไปตามแกนอีกฝ่ายหนึ่งหน้าแย่ไปถนัดกินน้ำลายฝืดๆลงคอแล้วบ่นออกมาอ่อยๆว่าโทษคุณหญิงครับเอาชื่อผู้หญิงคนนั้นมาพูดกับผมทำไมก็ไม่รู้กราบไหว้วิงวอนไว้หลายครั้งแล้วผมไม่อยากได้ยินเลยดารินเม้มริมฝีปากยิ้มไม่เอ่ยอะไรอีกคิดอยู่ในใจว่านี่ต้องเอาสิอย่างนี้ถึงจะสะใจไม่งั้นปากมากกวนมโหนัก ต่อไปนี้เห็นจะหุบ ป, ปากเลิกยั่วได้เสียทีและก็จริงดังว่าเขากับหล่อนเดินกลับไปถึงเรือนพักเงียบๆโดยไม่ได้กล่าวคาใดกันอีกเลยหล่อนแยกขึ้นเรือนไปนั่งเล่นกับเจ้าลูกลายพาดกรตัวโปรดซึ่งบัดนี้มันติดตอนแจเหมือนลูกแมวเชื่องเชื่อและคุยกับนางอั้วเป็นครูสอนภาษาชาวเขาให้หล่อนส่วนรพินนั้นเชื่ถาเพิ่งตื่นจากนอนกลางวันลงมานั่งอยู่ที่นอกชาญบ้านกวักมือเรียกให้เข้าไปสนทนาด้วย มีแงสายเป็นคนนวดประครบขาให้ครั้นแล้ววันเวลาแห่งการออกเดินทางก็คืบใกล้เข้ามาจนสามารถกำหนดวันได้แน่นอนเชื่อถาขาหายแข็งแรงเป็นปกติดีเหมือนเดิมซึ่งมันเป็นระยะเวลาเท่าที่ดารินกำหนดไว้ให้อย่างแม่นยำส่วนเจ้ามุกก็เกือบจะหายเรียบร้อยดีแล้วเช่นกันจนสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้ หลมช้างทั้งหมู่บ้านเปลี่ยนโฉมหน้าการเป็นอยู่ไปในอีกลักษณะหนึ่งผิดไปจากเดิมมากโดยการย่างกลายเข้ามาพมนักอยู่ด้วยของคณะเดินทางทุกคนยิ้มแย้มเป็นสุขแต่แล้วก็บังเกิดความอะไรไม่รู้แน่นอนว่าอีกไม่กี่วันบุคคลที่เปรียบเสมือนเทพเจ้ามาโปรดเหล่านี้จะจากไปแล้วสู่ดินแดนซึ่งไม่มีสิ่งใดมาประกันอนาคตได้มุอยากขอตามไปกับพวกเจ้านายด้วย เจ้ามุผู้มีความทราบซึ้งในพระคุณไม่ผิดอันใดกับขยินผู้เป็นบิดากล่าวออกมาจากความรู้สึกแท้จริงเรารู้ดีถึงความรู้สึกของเจ้าเชษฐาตอบเยือกเย็นยิ้มให้กับหนุ่มชาวดอยอย่างปราณีพร้อมกับเอื้อมมือมาตบเบาๆที่ศีรษะแต่ขยินพ่อของเจ้าได้ทำหน้าที่นี้แทนให้เก็ดเจ้าแล้วเจ้าจงอยู่กับนางอัวปกครองหมู่บ้านให้มีความสุขรอคอยการกลับมาของพ่อเจ้าเถิด มุจะไม่มีโอกาสได้รับใช้ตอบแทนเจ้านายบ้างทีเดียวหรือมีและก็สําคัญไม่น้อยทีเดียวดารินบอกมาเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นก่อนเราจะจากไปในดงลึกเราจะฝากของไว้ให้อยู่ในความดูแลจรและระวังรักษาของเจ้าจงเก็บไว้ให้ดีรอการกลับมาของเรานั่นคือหน้าที่ซึ่งเราต้องการให้เจ้าทำํำมุสาบานว่าจะรักษาของทุกชิ้นของเจ้านายไว้เหมือนกับชีวิตของมุเอง ลูกชายหัวหน้าบ้านรับคำอย่างแข็งแรงมองดูนักมนุษย์วิทยาสาวด้วยดวงตาอันแจ่มใสเป็นประกายสามวันก่อนหน้าการออกเดินทางจึงเป็นระยะของการจัดเตรียมของใช้จำเป็นที่จะต้องนำติดตัวไปด้วยซึ่งถูกนำขึ้นมาพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งโดยเทียบกับกำลังคนสิบคนที่จะขนเอาไปได้ผ่านพื้นเมืองสี่คนแ่ซ า, ายและขยินรวมเป็นหคนจะแปลสภาพเป็นลูกหาบ สำหรับสัมภาระส่วนรวมต่างๆยกเว้นของจําเป็นติดตัวของแต่ละคนซึ่งบรรจุอยู่ในย่ามหลังติดตัวเครื่องนุ่งห่มถูกกาหนดไว้ว่าจะนําติดตัวกันไปคนละไม่เกินสามชุดเป็นชุดสําหรับเดินป่าทั้งสิน้นผ้าห่มขนจัดขนาดใหญ่ที่ใช้ร่วมกันสําหรับคณะนายจ้างหนึ่งพื้นผ้าใบาปูพื้นและผ้าพลาสติกซึ่งขณะเคลื่อนย้ายใช้เป็นสิ่งห่อของไปในตัวในด้านสเสบียง เกลือถูกพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเหนือกว่าข้าวสารซ้ำไปซึ่งอย่างหลังกำหนดให้คน1ิบคนกินได้ภายในเวลาเพียงอาทิตย์เดียวซึ่งหลังจากนั้นไปนแล้วเป็นเรื่องของการฝากท้องไว้กับป่าที่จะผ่านไปเบื้องหน้าถัดไปก็เป็นน้ำตาลกาแฟบุรียาเส้นและบรันดีซึ่งบรรจุลงไปในขวดพลาสติกแบบขนาดห น, นึ่งกันอนรวมทั้งอาหารกระป๋องอีกเล็กน้อยน้ำหนักรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน100กิโลก ร, รัม พวกยาและเครื่องเวชภัณฑ์เป็นหน้าที่การจัดเตรียมของหม่อมราชวงศ์หญิงดาลินวราริศโดยเฉพาะซึ่งไม่มีใครยุ่งด้วยนอกจากปล่อยให้เป็นภาระของหลอนตามลําพังบรรจุอยู่ในหีบหนังกระทัดรัดภายในบุกนวมกันกระเทือนเป็นอย่างดีมีน้ําหนักซึ่งไม่เป็นภาระอะไรมากนะักต่อมาก็เป็นเครื่องอุปกรณ์เบ็ดตเตล็ดรวมทั้งของจุกจิกแต่จําเป็นต่างๆมีเข็มทิศไฟฉายไปจําตัวของแต่ละบุคคล แบตเตอรี่สำรองไม่ขีดไฟน้ำมันตลอดจนถ่านไฟเช็คเชือกประจำตัวหม้อสนามกระติกน้ำตะเกียงรัวและตะเกียงที่ใช้ด้วยแบตเตอรี่เต่าใช้น้ำมันก๊าซสำหรับกรณีฉุกเฉินจำเป็นซึ่งไม่สามารถจะใช้ไฟธรรมชาติได้ยากันแมลงพร้อมกับกระบอกฉีดสมุดบันทึกประจำวันซึ่งชา ย, ยันเรียกว่าปูมเดินป่าของเขารวมทั้งเครื่องใช้จำเป็นประจำตัวของแต่ละคนซึ่งไม่เกินพิกัด ที่จะบรรจุลงไปในเป้หลังได้แน่ระมันเป็นการจัดเตรียมที่ต้องอาศัยความละเอียดถี่ท้วนยิบซึ่งขึ้นอยู่กับความชํานาญเคยชินมาก่อนของระพินไพรวันอันอยู่ในฐานะผู้นําสัมภาระสิ่งของที่จะนําติดตัวไปด้วยนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเบ็ดเสร็จและจําเป็นจริงๆโดยไม่ขาดไม่เกินแม้แต่นิดเดียวย่อส่วนลงมาแล้วมีน้ําหนักเพียงหนึ่งใน20ส่วนของจํานวนน้าหนักที่ขนกันมาแต่แรกเท่านั้น เชิดถาเองแม้จะเป็นผู้รอบคอบถี่ท่วนเพียงไรก็ตามในภาวะเช่นนี้เขาก็งงไปหมดเหมือนกันไม่สามารถกำหนดได้ถูกว่าควรจะเอาอะไรไปบ้างต้องอาศัยพรานใหญ่เป็นผู้แนะโดยตลอดเสื้อผ้าที่จะใช้ในเวลากลางวันควรจะเป็นชุดเบาบางสวมใส่ได้อย่างสบายที่สุดผัดเปลี่ยนกันสองชุดชุดที่สวมเป็นชุดกันหนาวโดยเฉพาะรองเท้าอย่าใช้ชนิดหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงเท้าควรเตรียมไปมากๆ มันเปลี่ยนอยู่เสมออย่าให้โชคเงือมิฉะนั้นเวลาเดินนานๆรองเท้าจะ ก, กัดโปรดอย่าลืมถุงมือหนังด้วยสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้เขาบอกให้ทุกคนทราบว่าสิ่งที่เราจะต้องประหยัดที่สุดก็คือถ่านไฟฉายเราต้องพยายามใช้มันให้ได้ตลอดการเดินทางทุกระยะเพราะฉะนั้นแม้เราจะมีไฟฉายติดตัวกันทุกคนและมีถ่านสำรองไปด้วยแต่ก็จะใช้เมื่อถึงคราวจาเป็นจริงๆเท่านั้นและในด้านอาหารก็คือเกลือ อย่างอื่นหมดไม่เป็นไรเราจะต้องมีเกลืออยู่เสมอแล้วเขาก็หันมาทางนักมนุษยาสาคนสวยผู้มีภาร ะ, ระกังวลใจหนักกว่าทุกคนตามนิสัยของผู้หญิงหล่อนห่วงนู่นนี่อยู่ตลอดเวลาเตรียมของใช้ส่วนตัวบรรจุใส่เป้หลังเสียจนร้นปีบอกยิ้มยิ้มว่าย่ามหลังอันนั้นจะต้องติดตัวคุณหญิงอยู่เพราะฉะนั้นคำหนึงถึงน้ำหนักของมันด้วยตามความเห็นของผมคุณหญิงไม่ควรจะแบกน้ำหนักเกินกว่า5้กิโล เรื่องน้ำหนักในการบรรทุกเดินป่านี่มันเป็นอัตราถ่วงทับทวีที่มักจะคิดไปไม่ถึงตลอดเวลาที่แล้วแล้วมาคุณหญิงเดินตัวเปล่ามาทั้งสิ้นอย่างดีก็แบกปืนประจำมือเท่านั้นแต่คราวนี้มีเครื่องหลังด้วยสมมุติว่ามันมีน้ำหนักห้ากิโลในขณะเริ่มออกเดินทางพอชั่วโมงที่สองมันจะหนักเป็นสิบกิโลขึ้นมาทันทีในความรู้สึกและชั่วโมงต่อต่อไปก็จะทวีขึ้นเป็นเงาตามตัวทีละเท่าผลสุดท้าย เวลาหมดแรงอ่อนกำลังเข้าจริงๆน้ำหนักเพียง5กิโลที่คุณหญิงบรรทุกอยู่จะรู้สึกเหมือนเข้าสารทั้งกระสอบทีเดียวฉันเข้าใจที่คุณบอกแต่ไม่เป็นไรหรอกหล่อนยิ้มนิดหนึ่งรับคำเสียงเบาแต่หนักแน่นมั่นคงและอีกประการหนึ่งที่ผมจะเตือนก็คือชุดเดินทางของคุณหญิงเท่าที่สังเกตเห็นมาตัดเย็บในแบบฟิตเปรีย้ยรัดแนบตัวทั้งสิน้นมันสวยเก๋อ ย, อยู่หรอครับ ถ้าเราจะสวมเดินป่าในฉากของภาพยนตร์ที่สมมุติกันขึ้นแต่ในเรื่องจริงมันไปกันคนละเรื่องทีเดียวอย่างที่คุณหญิงก็ประสบมากับตัวเองแล้วขึ้นขาลงห้วยพักเดียวตะเข็บมันก็ปริแยกหรือไม่ก็ขาดออกง่ายๆไม่เหมาะที่จะใช้สมบุกสมบันผมอยากทราบว่าคุณหญิงมีชุดเดินป่าที่มั่นคงปลอดภัยกว่านั้นมาด้วยหรือเปล่าดารินหัวเราะจิตจื ด, จดเอาละฉันจะพยายามเลือกชุดที่มันหลวมที่สุด แล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะักฉันมีด้ายเข็มมาพร้อมเนื้อคนยังเย็บได้เสื้อผ้าขาดทำไมถึงจะเย็บไม่ได้หรือถ้ามันจะขาดก็ให้มันขาดไปผิดนักเดินตัวเปล่าก็ยังไหวดีเสอีกจะได้ไม่หนักเสื้อผ้าเจอเอาคำตอบเข้าแบบนี้พานใหญ่ก็เลยไม่กล้าพูดอะไรกับปลอนอีกสุดท้ายก็มาถึงเรื่องอาวุธอันเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดเหนือกว่าทุกสิ่ง ซึ่งทั้งสาคือระพินชัยยานและเชษฐาต้องพิจารกกันอยู่เป็นเวลานานมันเป็นปัญหาที่จะต้องใคร่กวนและเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์อนาคตอันยังไม่อาจทายถูกนั้นไม่น้อยไปกว่าสิ่งของติดตัวอื่นๆในที่สุดภายหลังการพิจารกกันอย่างรอบคอบแล้วก็กำหนดกันลงไปว่าตัวพรานใหญ่เองและเชิฐาคงใช้ไรเฟิลขนาดจ .458 แมกนัมแอฟริกันอันเป็นวินเชสเตอร์โมเดเดน70คู่มือตามเดิม 6.600 ในโตดับเบิลบาร์เบลอันเป็นปืนใหญ่ที่สุดก็ทิ้งไม่ได้อยู่ตามเดิมสำหรับเหตุการณ์ที่ยังไม่ทราบว่าจะเผชิญกับอะไรบ้างกระบอกนี้ชายยันไซสเสียจนชำนาญแล้วก็ให้เป็นอาวุธคู่มือของนายทหารปืนใหญ่ไปนับเป็นไรเฟิลขนาดหนักสามกระบอกซึ่งอยู่ในมือของบุคคลชั้นหัวหน้าสามคนส่วนดาดินนั้นเพื่อความสะดวกคล่องแคล่วรวดเร็วในการใช้ได้เหมาะสมกับกาลังของรอนที่สุด โดยกำหนดให้เป็นมือสำหรับสอยในระยะไกลและหวังผลแน่นอนจึงให้จุด300เอเทอร์บีแมกนัมติดศูนย์กลางขยาย4เท่าเป็นปืนประจำมือแง้ทรายกับปุญนคำให้ถือจุด375ฮอลแลนด์แอนด์ฮอลแลนด์คนละกระบอกกระบอกแรกเป็นวินเชสเตอร์ของรัพพินกระบอกหลังเป็น f, f n ของคณะนายจ้างสำหรับสถานการณ์ทั่วๆไปไม่ว่าจะหนักหรือเบา อีกสี่คนที่เหลือคือเกอิดเสรยจันและขยินถูกกำหนดให้เป็นมือปืนประเภทอาหารจันและขยินคู่หนึ่งใช้ลูกซองเบอร์12ก็บอก1เป็นกึ่งอัตโนมัติ FN กระบอกหนึ่งเป็นปั๊มแอคชั่นเลมิงตันซึ่งเช่ดฐามอบให้เป็นของกำนันขยินก่อนหน้าแล้วส่วนเกิดกับเสรยอีกคู่หนึ่งใช้ไรเฟิลขนาด3ามยเป็นปืน c s เของรพินเสียกระบอก1 และมันริเคอร์ของเชีาอีกกระบอกหนึ่งปืนสั้นประจำตัวของคณะนายจ้างแถมพิเศษด้วยขนาดจุดสองสองอีกกระบอกหนึ่งซึ่งดารินเอาใส่ประจำไว้ในเป้หลังส่วนตัวของรอนเป็นปืนของรูเกอร์แบบซิงเกิลซิกใช้กระสุนขนาดจุดสองสองได้ทั้งแบบรองไลเฟิลและแบบแม็กนัมเพียงแค่เปลี่ยนลูกโม่ซึ่งโดยรํากล้องที่ยาวถึง9นิ้วของมัน และโดยมือปืนที่ชำนาญขนาดดารินก็ย่อมหมายถึงว่าทั้งคณนะมีปืนยาวรุกกฎเพิ่มขึ้นมาช่วยหาอาหารอีกกระบอกหนึ่งโดยยอดส่วนรงเก็บไว้ในเป้หลังได้อย่างสบายและไม่เพิ่มน้ำหนักอะไรให้มากนะซึ่งระพินก็เห็นว่านั่นเป็นความฉลาดและมีไหวพริบได้ยอดเยี่ยมของมันนักมนุษย์ิาสาวในการเลือกปืนกระบอกนั้นติดตัวไปด้วยอย่างรอบคอบอีกกระบอกหนึ่งไม่เสียแรงที่หล่อนเองก็เป็นนักเลงปืนตัวยง จากนั้นก็เป็นพวกระเบิดไนโตรหรือที่เรียกว่าไดนามายซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วสอนให้ทั้งคณะรู้ว่ามันมีความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาวุธปืนเพียงไรเครื่องกระสุนปืนทุกชนิดและวัตถุระเบิดเมื่อรวมกันเข้าทั้งหมดแล้วมีน้ำหนักเหนือกว่าสิ่งของอื่นใดทั้งสิน้นซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้พอจัดเตรียมคัดเลือกเครื่องอาวุธเสร็จสับและพินกับชายยันก็ช่วยกันจัดการถอดเข็มชนวน ของปืนทุกกระบอกที่เหลืออยู่ไม่สามารถนำไปด้วยได้นั้นออกหมดเป็นจำนวนกว่า1ิกระบอกเก็บเรียบร้อยลงหีบผนึกแน่นแล้วขนขึ้นไปไว้บนเรือนขยินมอบให้อยู่ในหน้าที่ดูแล ร, รักษาของเจ้ามุตามที่กาห น, นดไว้อย่าให้ใครเข้าไปยุ่งกับมันเป็นอันขาดพรานใหญ่สั่งกำชับซึ่งเจ้ามุรับคำโดยแข็งแรงครั้นแล้วบ่ายของวันสุดท้ายก็มาถึง คณะทั้งสิบคนอยู่ในภาวะที่อุ่นเครื่องเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่แดนมหาวิบากในรุ่งอรุณของวันรุ่งขึ้นสุขภาพและพลานามัยของทุกคนสดชื่นแข็งแรงดีไม่ว่าโดยทางกายหรือทางจิตประสาทบ่ายวันสุดท้ายนี้เองเชษฐาวราฤทัว ห, หน้าคณะก็เดินถือกันไกลตรงเข้าไปที่น้องสาวคนสวยผู้ซึ่งพอหันมาพบหน้าพี่ชายขยับกันไกอยู่ในมือปรีเข้ายใกล้เข้ามาถึงกับหน้าเสีย ยกมือขึ้นรูปเส้นผมงามยาวสยายอย่างใจหายน้อยถึงเวลาแล้วที่จะต้องเลิกสวยทีเดียวพี่ใหญ่จะตัดผมน้อยหรือคะดารินพูดแผ่วเบากุกกักตาปล่อยเศร้าพี่ชายเกือบใจอ่อนแต่ต้องแข็งใจบอกเฉียบกาดมันยาวเกินไปไม่เหมาะสำหรับผลทางข้างหน้าเราต้องการคารความคล่องแคล่วรัดกลุ่มที่สุดหวังว่าน้อยคงเข้าใจดีโดยไม่ต้องให้พี่อธิบายอะไรมาก มันมันก็ไม่กี่การอะไรนี่คะ่ะน้อยก้าวมันไว้ก็ได้เชื่อพี่ดีกว่าเชษฐาพูดสั้นๆหน้าคขึ้มจริงน้องสาวอิดเอื้อนรีรอเสียดายผมงม ง, งามอยู่ครู่ก็ถอนใจยาวหันหลังให้โดยดีอย่างตัดสินใจเด็ดขาดตามนิสัยตกลงค่ะตัดให้เหมือนทรงผมพระเอกละครร้องยุกแม่เลื่อนเลยนะเชษฐาชา ย, ยันร้องก็เส้ามาพร้อมกับผัวรอชอบใจ คนถูกกระซ้าชูกําปั้นลาแล้วไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเส้นผมดําขับละเอียดอ่อนปานไหมที่ยาวสยายเกือบจรหดหลังประดุษเทพที่ดาภัยก็หดสั้นเหลือเทียบต้นคอแลดูงามเก๋คมเข้มไปอีกแบบหนึ่งภายหลังจากใช้แปรงปัดเป็นอันหมดภาร ะ, ระการหมันกล้าวหม่นสางไปเสียทีนางอัวเป็นคนประคองเก็บผมของนายหญิงไว้อย่างทนุถนอมซึ่งหล่อนก็อนุญาตให้ไปด้วยความเต็มใจ หลังอาหารเย็นค่ำนั้นขณะที่พรานใหญ่กําลังตรวจสอบดูของส่วนตัวของเขาที่บรรจุอยู่ภายในย่ามหลังตรงมุมหนึ่งของชานเดือนอันใช้เป็นที่นอนประจําน้องสาวของนายจ้างก็ตรงเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าแล้วผิดเงยหน้าขึ้นยิ้มให้นิดหนึ่งแล้วจัดของต่อไปยุให้พี่ใหญ่เอาตะกายมาตัดผมช่างใช่ไหมไม่ได้ยุแต่ก็เห็นว่าคุณชายทําถูกต้องแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวคุณนั่นแหละเป็นตัวการ ไม่กลัวบาปหรอมาโทษแบบนี้ฮะความจริงผมของฉันจะยาวสักแค่ไหนมันก็ไม่ได้เป็นหนักอะไรใครสักหน่อยถึงว่าสิหนักเหมือนกันแหละหนักเจ้าของเอยังไงล่ะเป็นยังไงเบาขึ้นสักกิโลหนึ่งได้ไหมหลังจากตัดแล้วถ้าฉันสาบคุณได้แล้วก็จะสาบให้เป็นอะไรดีไอ้งูตัวที่จับเอาลูกธนูติดในโตของแง่ายตัวนั้น จ้างผมก็ไม่ยักงับธนูติดลูกระเบิดนั้นเข้าไปให้โง่ตรงกันข้ามจะ ก, กืนผู้หญิงสวยแต่ปากจัดคนหนึ่งเข้าไปไว้ในท้องมันคงทำให้อิ่มไปจนตลอดชีวิตโดยไม่ต้องกินอะไรอีกว่าแล้วขเขาก็อ้าปากหาวลัดสายเข็มขัดเครื่องหลังโยนโครงไปชี้สาวพลางเอ็นตัวลงนอนงายขวายห้างหลับตาลงปากบอกต่อไปว่าพรุ่งนี้จะต้องเดินหนักขอนอนอแรงก่อนละลาติสวัสดครับคุณหมอดาริน หญิงสาร้องอะไรออกมาคำหนึ่งเหลียวซ้ายแลขวาแล้วตะเตะโคมเข้าไปที่ปลายเท้าอันเหยียดยาวของเขาพระพินสะดุ้งลืมตาขึ้นอย่างตกใจหล่อนก็บอกหน้าตาเฉยว่าไม่ขอโทษเพราะเจตนาแล้วก็ก้าวข้ามปลายเท้าขอเดินผ่าไปพรานใหญ่เป่าลมออกจากปากเบาๆสั่นศีษะช้าจากนั้นจึงล้มตัวลงนอนตามเดิมครั้นแล้วการเดินทางในช่วงที่สองก็ได้มาถึง มันเป็นเวลาเช้าตรู่ของวันลุ่งขึ้นหมอกและละอองน้ําค้างยังปกคลุมอยู่ทั่วไปลานกว้างของหมู่บ้านน้ำบัดนี้แน่นขนาดไปด้วยชาวบ้านที่พากันยืนออคอยส่งกลางลานสารเพียงตาได้ล้านสําหรับวางเครื่องสังวยบัเตรีซึ่งตะเตรียมไว้แล้วแต่เมื่อคืนตั้งเด่นอยู่ตรบอบอวนไปด้วยควันทูปตาพรานท่าบุญคําห่มผ้าขาวนั่งขัดสมาธิหลับตาพนมมือโอมอ่านองค์การอัญเชิญเทพิดาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขา ตลอดจนผีสางนางไม้ทั้งหลายให้มารับเครื่องเส้นสวงสงเวยตามพิธีการเบิกป่าของแกด้วยสำเนียงอันนองเวงใจทุกคนเงียบกริบคงได้ยินแต่เสียงบริกรรมของบุญคำเท่านั้นต่อมาแกก็ ก, ก้มลงกราบแล้วหยิบทู่มาอีกมัดหนึ่งจุดขึ้นทั้งมัดเดินเข้ามาที่เชทดถาผู้เป็นหัวหน้าคณะเป็นคนแรกส่งทู่ให้เจ็ดดอกราชะสะกุลหนุ่มรับมาอย่างสงบจากนั้นแกก็ส่งไปยังชัยยานันดาริน และทุกคนที่ร่วมคณะจนครบคนโดยมีระพินเป็นคนสุดท้ายประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วทำให้คณะนายจ้างชาวพระนครทั้งสามเข้าใจได้ดีว่าควรจะปฏิบัติเช่นไรต่างไม่ได้เอ่ยคำใดกันเลยทั้งสามคนผู้มีเจตจำนงในการบุกบั่นติดตามคนสาบศูญถือทูบเดินตรงเข้าไปซุดคุกข่าวอยู่หน้าศาลเพียงตาพนมมือขึ้นจบอธิษฐานบอกกล่าวอยู่ในใจสงบนิ่งอยู่ครู่ ก็ปักทูบไว้บนกาบกล้วยซึ่งใช้เป็นที่ปักบนร้านเครื่องบัดเพียและก้มลงกราบจากนั้นจึงถอยออกมาคนอื่นๆก็ทยอยเข้าไปปฏิบัติตามจนครบท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นป่าทั้งป่าตรึงนิ่งอยู่กับที่ไปชั่วขณะหนึ่งอย่างพิศวงแม้กระทั่งนกก็ไม่ส่งเสียงร้องขึ้นใบไม้สักใบก็ไม่กระดิกครั้นแล้วต่อมาอีกครู่ใหญ่ท่ามกลางควันทูบที่รอยเป็นก้อนอ้อยอิงอยู่ ก็มีลมเย็นพัดโชยเบาๆมาจากทางด้านเหนือแสงตะวันรุ่งเริ่มสาดทะลุม่านหมอกลงมากระจายความอบอุ่นไปทั่วและลมก็แรงขึ้นกลุ่มหมอกจางลงอย่างรวดเร็วทัศนวิสัยดีขึ้นเป็นลําดับจนกระทั่งมองเห็นป่ารอบด้านอย่างชัดเจนนกร้องแซ่แซดอยู่บนกิ่งไม้ฝูงลิงข้างออกหากินเป็นปกติป่าเปิดให้เราแล้วนายบุญขามแหงหน้าขึ้นมองท้องฟ้า แล้วพึมพำออกมาอย่างยินดีทุกคนสูดลรรมหายใจลึกเต็มไปด้วยพลังใจอันกระปี้กระเป๋าทำไมบุญคำไม่ทำพิธีชนิดนี้เสียตั้งแต่เราเริ่มออกเดินทางครั้งแรกที่หนองน้ำแห้งชัยยันกระซิบถามพรานท่าหัวเราะเอยเลื่อยในลำคอเคี้ยวใบกระท่อมหยับๆับอยู่ในปากป่าที่เราผ่านมาแล้วเป็นป่าที่ผมกับพรานใหญ่หากินอยู่เป็นแดนมันเปรียบเหมือนบ้านของเราเอง อะไรอะไรก็คุ้นเคยกันดีแต่ป่าที่เราจะเดินไปข้างหน้าเป็นป่าที่พวกเราทุกคนยังไม่เคยรู้จักถ้าเขาไม่เปิดให้เราก็เข้าไปไม่ได้ไม่มีใครซักถามอะไรบุญคำอีกเลิกเดินทางก็คือเวลาที่ทูบดับระยะเวลาระหว่างนี้รับผินกับเช่ถาตรวจสอบแผนที่และเอาเข็มทิศขึ้นมาเทียบเพื่อกำหนดเข็มพร้อมกับพูดกันเบาๆชา ย, ยานเคี้ยวหมากฝรั่งเนิบๆมองฝ่าออกไปอย่างทิศทางเบื้องหน้า อันเห็นขุนขาวใหญ่ตั้งถะมือนค้ำฟ้าอยู่